ถ้ารู้จักใครที่ตอนเด็กถูกบีบให้เป็นคนแบบหนึ่งหนุ่มสาวเลือกจะเป็นอีกแบบหนึ่งแก่ชราหลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งใกล้ตายอยากเป็นอีกแบบหนึ่งก็นับว่าคุณได้เห็นตัวอย่างของผู้อยู่บนเส้นทางกรรมอันมีผลให้ชีวิตหน้าพลิกไปพลิกมาแล้ว บางคนเกิดมายากจนถูกเส้มสอนให้เป็นหัวขโมยโตขึ้นกลับเลือกที่จะค้าขายสุดจริตแต่พอรวยมากๆก็เข้าวงจรทุจริตพอจวนตายสำนึกผิดอยากทำคุณไทยโทษแจกจ่ายสมบัติเป็นสาธารณกุศลอย่างนี้พยากรอนได้ว่าชาติน่ามีสิทธิ์เกิดในที่ที่ดีขึ้นพ่อแม่ดี มีฐานะนั่นเพราะสำนึกท้ายๆเป็นกุศลแต่เส้นทางชีวิตอาจประสบกับความลำบากโดนโกงหรือมีทรัพย์พินาดเพราะตอนเป็นตัวของตัวเองคิดได้เลือกได้อย่างคงปล่อยตัวให้ไหลาตามกระแสทุจริตอยู่ดีบางคนเกิดมาเป็นเด็กหน้าตาไม่น่ารักถูกทิ้งขว้าง ใครเห็นก็ไม่นึกอยากสนใจใหญ่ดีแต่โตขึ้นกลับใช้ปมด้อยของตนเป็นแรงขับดันให้ทำดีกับคนอื่นเป็นความอบอุ่นเป็นกำลังใจเป็นคำปลอบโยนที่ส่งพลังด้วยน้ำใจอันงดงามยิ่งใหญ่แต่พอเกิดบารมีจากการช่วยคนมากๆ ก, ก็บ้าอำนาจรังแกคนให้ต้องเจ็บช้ำ แล้วค่อยๆหลงทำกรรมอันมืดดำน่าเกลียดน่ากลัวมากขึ้นทุกทีพอจวนตายยังไม่สำนึกกลับรู้สึกว่าแท้จริงแล้วชีวิตจริงคือสิ่งโหดร้ายและโชคดีที่สุดท้ายตนได้เป็นผู้กระทาไม่ใช่ผู้ถูกกระทาอย่างนี้ก็พยากรณ์ได้ว่าชาติหน้า มีสิทธิ์ได้โครงสร้างรูปร่างหน้าตาแบบหนึ่งที่ตอนเด็กออกแนวลูกเป็ดขี้เรแล้วโตวขึ้นกลับดูดีมีส ง, งา่าจับตาจับใจอย่างน่าประหลาดซึ่งแค่แต่งเสริมเติมอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็หล่อจัดหรือสวยจัดเข้าขั้นประวดได้แต่รูปร่างหน้าตามักนำมาซึ่งความเจ็บช้ำน้ำใจโดนคนหลอกบ้าง โดนคนใส่ไคล้บ้างโดนคนรังแกบ้างหรือตัวเองตัดสินใจผิดๆบ้างไม่มีอันได้เป็นสุขจากรูปร่างหน้าตาดีๆเลยพี่นิดดูจะเห็นว่าการทำกรรมอยู่ในปัจจุบันก็คือการเลือกโต้ตอบกับผลของกรรมเก่าโดยไม่รู้ตัวบางทีก็โต้ตอบแบบซ้ำเติมตัวเองให้หนักขึ้น บางทีก็โตตอบแบบบรรเทาให้เบาบางลงเป็นคนแบบไหนก็คือมีนิสัยแบบนั้นและนิสัยก็คือพฤติกรรมสะสมทำอะไรซ้ำๆจนเคยชินเป็นอัตโนมัตินั่นเองนั่นแหละที่เราเรียกว่าอาจินกรรมหมายถึงกรรมซึ่งจะให้ผลแน่นอน มีความคงเส้นคงวาอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งโดยผลนั้นอาจมาถึงทันตาในชาตินี้หรืออีกทีก็อาจไปให้ผลกันชาติหน้าขึ้นอยู่กับคิวให้ผลที่เหมาะสมเป็นเรื่องอจินไตยคือคะเนเอาแบบคิดคิดไม่ได้ต้องอย่างรู้ด้วยอภิน ญ, ญาของผู้บำเพ็ญธรรมแต่แม้ไม่รู้ชัด คุณก็อาจถามตัวเองง่ายๆรู้แก่ใจง่ายๆว่าถ้าผลของกรรมมีจริงสิ่งที่กำลังทำทาอยู่เนี่ยน่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอน่าจะทำให้มีลาบมากหรือมีทรัพย์ที่นาดน่าจะทำให้เจอคู่ครองใจเดียวหรือหลายใจน่าจะทำให้ได้อยู่กับคนใจซื่อหรือใจคตน่าจะทำให้สติดี หรือฟุ้งซ่านจัดตอบแทนพ่อแม่อย่างไรเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วถ้าต้องเกิดใหม่อยากเป็นลูกของคนแบบไหนมีสิทธิ์ได้อย่างใจหรือเปล่ากรรมลับผลของกรรมเป็นสิ่งติดตัวไม่ใช่แค่เรื่องใกล้ตัวสำรวจตัวเองว่าตอนนี้สบายใจอย่างไรเต็มใจเลือกที่จะเบียดเบียนหรือเกื้อกูลท่าไหน คำตอบในอนาคตเหมือนจะชัดเจนอยู่ตรงหน้านี้แล้ว